ทั้งเปลือกมอีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นผสมกันอยู่ศาสนาก็เหมือนกับต้นไม้ถ้ามีแต่เปลือกเรีว่าต้นไม้มีไม่มีแก่นไม่มีกระพี้มันก็ทดทานไม่ได้ศาสนาเสื่อมไปแล้วแต่นานทั้ท่านี้แต่เปลือกกับกระพี้ ก็เหมือนกันถ้าหากมีตะเกียนก็เรียกว่าต้นไม้ตายถึงจะแข็งจะเข้ารจก็ได้ชื่อว่าต้นไม้ตาย้าคงอยู่นานไม่ได้ในป่านี้หากมีเปลือกมีตะพี่มีแกนผสมกันต้นไม้ยังค่อยงอกงามเจริญเติบโตเป็นโดยํำดับ งูพวกมนุษย์ชนทั้งหลายที่ได้อาศัยพุทธศาสนาคือต้นไม้ต้นนั้นร่มเย็นเป็นสุขในพึ่งร่มพึ่งเงากระทั่งตาเท่าทุกวันเดียวนี้ก็เพราะศาสนาทนะี่มีทั้งเปลือกมีทั้งกับพี้ได้ แ, แก่เปลือกนั้นได้แก่ พิธีศาสนาพิธีต่างๆที่พากเหนือนับถือกันอยู่ทั่วไปพิธีอะไรก็ตามถือในทางพุทธศาสนาเช่นมาฆาตาาิสาขะอาชันทะเวียนเทียนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงหรือการทำทานต่างๆ เรียกว่าสังฆทานนั่นก็จำพวกนี่เหมือนกันก็เพื่อก็พวกเปลือกเหมือนกันอย่างเขาทำพระหล่อพระแล้วพุทธาพิเศษเพื่อให้ขลังเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์คนในจำพวกเปก็นในย่อความผู้กับนี้เหมือนกัน แต่เครื่องรางของขั ง, งนอกประเด็นไปอีกไม่จัดเข้าในพุทธศาสนาแต่หากว่าคนนิยมนับถือเป็นศาสนาถ้าหากเปลือกไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์พุกธศาสามนินจะทรงอยู่ไม่ได้ เพราะเหตุที่เหละง่ายโยมชาวบ้านชาวเมืองพหกันทําบุญสุนทานรักษาเปลือกไว้ศาสนายังเคยทนทานมากันฝานนี้แต่ถ้าหากว่าผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ศรัทธามั่นคงจนเป็น ทำพิธีสาธนาวิธีต่างๆเช่นเวียนเทียนอาสาหะเวียนเทียนในมาคาลิซาขาส า, ข า, าสาหะใจแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์จดกระทั่งจิตเป็นเอกาตดง มันก็เข้าถึงเปลือกเข้าถึงกับพี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้คนพากันนิยมนับถือเจ็บเปลือกทำพิธีตีตองด้วยประการต่างๆก็เลยพอใจงินดีแต่เพียงแค่นั้นไม่เข้าถึงใจางการกราบการไหว ก า, ไารไหวาคสะโพงการกราบการไหวร้วนแล้วแต่เป็นบ่อกเกิดเป็นแล้วแต่เป็นเหตุในเปลือกเป็นเหตุในเกิดแก่เปลือกกันหล่อเลี้ยงข้างนอกถ้าไม่มีเปลือกก็กัมพีก็ไม่มีถ้าไม่มีกัมพีแก่ก็ไม่มีที่มันเนื่องกันไปเปลือกนั้นอ่ะทิธีเป็นเปลือกนะ แต่มันยังเข้าทั้งจิตใจจิตแน่วแน่จนเป็นเอก ก, ะกะตะาลมอันนั้นเรียกเขาเรียกว่าเข้าถึงกะพี้ใดอันนี้การกราบการไหวการเคารพนับถืออย่างทุกวัน น, นี่นั่น มันน้อยนักน้อยหนาที่จะเข้าถึงกะพีกราบสองหนสามหนก็ไม่ได้ลึกถึงกับพุทธธรรมประสงค์สัทีที่จริงท่านสอนดีสอนดีกราบที่หนึ่งแล้วลึกถึงกับพุทธกราบที่สอง ล, ลึกถึงประธรรมกราบที่สามแล้วลึกถึงกัระสงค์แต่นี้กราบตั้ง สามครั้งก็ไม่ถึงพระพูดประดามผสมสักทีสี่ครั้งครั้งจนกระทั่งกราบไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนจิตใจมันแน่วแน่มันเพลินมันหลงไปกับอื่นบางคนกราบเห็นได้ชัดคำพูดพูดพ า, ามพ า, ามอยู่ ตามองคนอื่นมันจะถึงง่งยๆอย่งนั้นมันเรียกว่าเกิดพี่เบืองตน้นเรียกว่าเปลือกเบื้องตน้นเปลือกหุ้มห่อไว้ที่จะเกิดเกิพี่กับขอเปลือกนั้นแหละหุ้มห่อไว้ เปลือกหุ้มห่อนานๆ น, นั้นเข้ากับกลายเป็นกะพี่ขึ้นมากะพี่นั้นได้แก่ในเปลือกนั้นสิ้นหาสิ้นแดก็ามาปลดสิบสิ้นทั้งลายเจ็ดก็อยู่ในจําพวกเปลือกเหมือนกันถ้าหากทำไม่เป็นรักษาไม่ถูก ก็เือปบปลือเปลือพื้นต้นนี่แหละเป็นเครื่องหุ่มหอ่อให้เกิดกบพีได้ถ้าผู้รักษาเป็นรักษาศีลไม่ว่าศีลประเภทไหนจิตใจแน่วแน่ถึงศีล น, น, นั้น ที่ตนรักษาน่้นแม้แต่ข้อเดียวใจทราบถึงซึ่งถึงคุณธรรมของพระองค์ที่พระองค์เทศนายรักษาสินจิตเรื่องใสศรัทธาแน่วแน่จริงๆจังเห็นคุณค่าของสินเพียงข้อเดียวเท่านั้นอาจจะทราบซึ่งถึง เป็นเอกขตาลมเอกขตาจิตได้ทราบซึ่งถึงยังไงจิตให้ชิ้นข้อเดียวเช่นรักษาสินงดเว้นจากค่าสัตว์เป็นของดีมีค่าเห็นการค่างดเว้นจากค่าสัตว์ ไม่กล่าวทั้งเรื่องสิ่งเมื่กล่าวทั้งเรื่องจิตวิรติงดเว้นด้วยเจตนายวิรติงดเว้นจากโทษข้อหนึ่งคือฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ข้อหนึ่ ง, หงเห็นคุณประโยชน์ใจของเราเรียบเย็นไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่น ทักอื่นก่อนไม่ได้รับทนทุกข์ทรามานตัวเราเองก็สบายการที่ทำให้จิตสบายให้คนอื่นสบายมันเข้าถึงหลักเพราะมีหารสี่ทำให้หารสี่ก็ตัวฌานตัวสมาธินั่นเอง ฌานสมาธิที่จิตก่วงขวงที่จิตเบิกบานก็เป็นสมาธินั่นแหละการรักษาชิ้นข้อเดียวเป็นเหตุให้ถึงเอกราชาลงเรียกว่ารักษาชิ้นเป็นทํานชิ้นให้เปลือกกันนะั่นแหละ ให้เข้าถึงกับทีได้การรักษาศีลท่านพูดถึงเรื่องกายวาจารักษากายวาจาเรียกว่ารักษาสิตแท้ที่จริงก็คือจิตถ้าไม่มีจิตก็รักษาศีลไม่ได้เจตนาเป็นคนงดเว้นตกลงว่า ศีลพราอมเลยเจตนาทุกขอถ้ามีเจตนาก็เป็นศีลไม่ได้มันเข้าถึงกับพี่แล้วศีลนั่นมนเข้าถึงกับพี่แล้วแต่คนรักษาไม่ถึงจึงได้เชื่อว่ายัางเปลือกอยังเป็นเปลือกอยู่เหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาสอน พระภิสุททั้งหลายนัดต้นแต่ศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิทำกลางปัญญาที่สุดขทันเทศสนาทั้งเรื่องให้พระภิสุงข์สงอย่างนี้สมาธิเหล่านี้เป็นกระพี่แกน แน่นหนามั่นคมเข้าไปกว่ากลัวทานกว่าศีลหรือกวัวพิธีต่างๆเพระเข้าถึงจิตโดยเฉพาะศีลก็มารวมอยู่ที่จิตเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เป็นศีลอยู่ในนั้นเป็นไอ้ก็เป็นสมาธิานั้นเป็นปัญญานั้น สิ่ น, นี้ไอสมาธิ น, นี้พูดถึงเรื่องไม่ต้องไปที่อื่นไน่ต้องทำอาการอื่นการนั่งสมาธิทำให้จิตสงบได้กายวาจาใจก็อยู่ในที่นั้น ไม่ได้มีแตกแยกออกไปที่ไหนอย่างมัดมีองค์แปดท่านวัาสมาธิสมาท่านกระโปสมาวิชาสมารกรรมโตรเรียกว่าชินสมาธิปัญญาเถอะรวมกันเรียกว่าชินสมาธิปัญญารวมในในมัดแปดําไม สมาธิถีตสมาคาโปสมาตังคาโปสมาวิจานี่เป็นเรื่เรียกว่าปัญญาใช่ไหมสมาวิจาสมากรรมโตสมาชีโวนั้นเรียกว่าศีลเชยพหกล่าวถึงเรื่องอาชีพการงานนั้นเรียกว่าสมาธิแต่เรียกว่า ศีลสมาธินตอนนั้นน่ะเรียกตอนท้ายน่นเรียกว่าสมาธิเยทั้งแต่ประการรวมว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้พระสมาธิเป็นอันหนึ่งลงแล้ว มารวมหมดในที่นั้นนี่เรียกว่ากระพี่เขามันถ้ามารวมอากระพี่ามามารวมมสดินสมาธิปัญญาเข้ามาอีกเป็นกระพี่สมาธิตั้งมั่นแนว่วแน่แล้วเรียกว่าเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลเข้าถึง ฌานเข้าถึงสมาธิเข้าถึงมากเป็นผลอันนี้เรียกว่ากระพีเป็นแกนเข้ามากว่าที่เปลือกแข็งแกร่งเขากลัวเปลือกมากต้นไม้บางพวกมันมีกรพี้กระเปลือกเท่านั้นแหละก็ยังทนทานอยู่ แต่ศาสนานี้ยังทนทานเาไปคนนั้นต้องมีแกนอีกแกนคืออะไรคือปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะสิ่งทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะอย่างนั้นคาว่าสภาวะสภาวะนั้นเห็นคนไม่เป็นคน เห็นสารมาเป็นสัตว์เห็นสิ่งสารพัดทางควงเป็นเกิดขึ้นดับลงเพียงเท่านั้นนั่นเรียกว่าสภาวะอันนี้เป็นแกนของพุทธศาสนาดังอธิบายมาแล้วว่าเลือหุ่มห่อกระพีไว้ทำให้เกิดกับพี่ขึ้น กระพี้นะั้นห่มห่อแขนไว้ถ้าไม่เกิดแกนขึ้นกระพี้ทำให้เกิดแกนขึ้นสามประการนี้ถ้าหากขาดอันใดหนึ่งเสียแล้วไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงสามประการนี้เนะี่ยถ้าหากขนใดไปติดแต่เพียงเปลือก เรียกว่าถือเอาเปลือกเป็นแก่คันไปติดแต่เพียงเกับพี่ก็เรียกว่าถือกับพี่เป็นแก่ถ้าไปติดเพียงแก่ก็หมายคนจากทุกได้ทางที่จะคนจากทุกพระองค์ไม่ให้ติดอะไรหมดปล่อยวางทั้งหมดเทียบกับคนจากทุกได้ ให้ตีตียงไปพบกันชาตครานี้จะเทศให้ฟังถึงเรื่องศาสนาต้องพูดถึงหลักธรรมะอันหนึ่งก่าวคือสติสติตัวนี้แหละพุทธศาสนาทั้งหมดมารวมอยู่ที่สติประมาณที่้องคือเรอคือไม่มีสติคนประมาณ คนประมาได้ทำว่มชั่วทุกประการคนมีสติแล้วถึงแม้จะทำว่มชั่วโดยประการต่างๆโดยเหตุที่ว่าสติไม่พร้อมมูลบริบูรณ์จะเผลอบ้างแต่ก็ยังมีเวลากลับได้สติเป็นสําเป็ของสำคัญท่านยังกล่าวทั้งเรื่องสติประฐานมีสี่ประการ พิจารณากายตั้งสติพิจารณากายอันนี้เห็นสัตว์ไ้ว่ากายไม่ใช่สัตว์สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาลองคิดเดูไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นอะไรอ่ะเข้าสภาว่าตามเดิมเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา การสติกำหนดลงไปนะเป็นแต่ชัดแค่วิธนาจิตของเราแท้ๆก็ไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลแล้วเขาเราถือกันว่าจิตคือของเราก็ไม่ใช่เราเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลแล้วเขาอะไรลานคาร์นีเมื่ออยากจิตทํา อะไรเป็นธรรมคือกายเวทนาจิตนั่นแหละเป็นธรรมเราพูดมาแล้วไม่ใช่สัตุลตนบุคคลเราเขาเอาอะไรไเป็นนีเอาอะไรเป็นเป็นหลักเหรอถ้าไม่ใช่สตุลตนเขาจะเอาอะไรเป็นหลักเมื่อกายยังอยู่สัมผัสถูกต้องมันก็เกิดเวทนา มันก็เป็นจิตมันก็คิดนึกมันก็เป็นธรรมกายตัวนี้แหละมันมีอยู่อย่างนี้แหละจะพิจารณาเท่าไร่เท่าไรก็มีมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเห็นชาพเห็นจริง้เท่าไรเขาเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่เท่านี้มันเป็นสภาพอยู่อย่างนี้ท่านให้พิจารณา ตั้งสติพิจารณาเห็นเป็นอยู่อย่างนั้นต่อเมื่อมันดับมันแตกมันสลายไปจึงก็จะหัไม่มีอะไรปรากฏสติก็ไม่ต้องรักษาแล้วคราวนี้ไม่มีปรากฏแล้วยญญางก็ไม่ต้องรู้แล้วหมดเรื่องกัน นี่เหตุที่มันมีอยู่อย่างนี้จึงต้องรักษาอย่างนี้เป็นอยู่ยางนั้นถ้าตีควบคุมอยู่อย่างนั้นถ้าไม่คุมมันก็ต้องหลุดไปมันเถออไปคมมุมไว้อย่างนั้นแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นวิิยา้าเพียร พระโพธเจ้ทาท่านก็เพียรตรงนี้อริยสงฆ์สาวกท่านก็เพียรตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้มันไปรู้อย่างอื่นสารพัดทุกอย่างไม่เป็นปัญหารู้ก็ไม่เป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้สติรู้จากจิตคิดนึกชั่วก็เห็น ชั่วออกมาเมื่อก่อนละลงไปคิดดีก็เห็นดีก็รักษาคุมไว้ให้เห็นอยู่เช่นนั้นรักเลยจิตที่คิดไม่ดีไม่ชั่วก็เห็นอยู่อย่างนั้นบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์เท่านั้นเท่าสติรักษาเห็นอยู่นั้นไม่ไปยึดไปถือ ไม่ไปเอามาเป็นตนเป็นตัวขางไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของรักษาแคเท่านั้นตรงนี้มันต้องรักษากานสาคัญรักพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือว่ามีสติควบคุมจิตหมดเรื่องศาสนา เท่านั้นการที่จะรักษาได้เท่าไรหยาบและละเอียดเท่าไรนั้นอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่พระองค์สอนถึงที่สุดคือมีสติเท่านั้นเป็นหมดเรื่อง